ธรรมชาดกแผ่นที่หาลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สมกราคม2553มมีชื่อเรื่องว่าความปรารถนาของสุเมธธดาบทคิดแนวแถวของ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 จนถึงบอกจนไม่อายใครเลยบอกอื้งข้าพระเจ้าทาบุญมากน้อยก็ขอให้ได้สำเร็จโพธิญาณให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตนะใครมากับพูดให้ใครฟังได้เลยเพราะความตั้งใจของเราสูงสุดละอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาค ต, นะตอันนี้ก็ยังไม่แน่นอนแต่นี้ก็ต้องสั่งสมบา ร, รมีไปเรื่อยๆจนถึง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 เสื่องสายสะ พ, พายออกอได้กับนุ่งผ้าจงกระเบนเหมือนกันเ น, เนบกระเบนใจแล้วก็จอบขุดเลยมันเหมือนกับคนทั้งหลา ย, ยาท่านไม่ใช่ลิศเหมือนกันแตท่านทำด้วยศรัทธา เ, เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าแต่นี้คนอื่นเขาก็เสร็จเพราะมันที่แห้งแต่ของสุมเมธานมันที่แฉะมันทำเท่าไหร่มันยังเปียกอยู่มันยังอีกหน่อยหนึ่ง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 พาดให้เป็นสะพานเนี่ยนะพระพุทธเจ้าทีปังกรท่านพยากรพยากรนะทนี่นี่นะดาบดคนเนี้ยสุมเมทะเนี่ยดาบดเนี่ยต่อไปในอนาคตจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อพระโ ค, ต, โคตมะโคตมะโคตพระบิดาชื่อพระเจ้าจุฑโทธนะพระมารดาชื่อสิริมหามายา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 จะให้ผลสะดุดไปเรื่อยๆเพราะงั้นหกล้มกลมกลาบไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะเราทํากรรมไม่ดีเอาไว้ใช้ว่อาอักตังดุกตังเสยโยปัชชาตปฏิดุกตังกรรมชั่วอย่าทําเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมให้ผลหรือเผาผลาญตามสนองเราเมื่อภายหลังเพราะฉะ น, น, นั้นในหลักของพุทธศาสนาท่านว่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 เวลาพูดก็อย่าพูดเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นคาว่าเบียดเบียนตนและผู้อื่นนั้นคืออะไรในเมื่อเราไปพูดให้แก่เขาคําอย่างเนี้ยคํารอาเราพูดให้แกเขานะ้เขาเอาคําพูดของเราที่เราพูดไปนั่นมาพูดให้แก่เราเรามีความรู้สึกอย่างไรเนี่ยถ้าเราพูดไปแล้วเขาเสียใจถ้าเขาเอาคําพูดของเราที่เราพูดไปให้เขา